คติธรรมปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนเสนอตอนที่9้าพันศาที่สองถึง6กปีพุทธศักราช2478ถึง2482จํำพันศาที่วัดสุทธจินดาตําบลโพกลางอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โกนุหาโซจิมานันโดนิจังปัจดิเตสติอันธกาเรณโอนัทธาปฏิปังนัคเวสถักก็โลกก ส, สิณิวาสนี้เป็นไปด้วยฟืนด้วยไฟที่กิเลสกองขึ้นมาเผาสัตวโลกให้รุ่งร้อนอยู่ทุกพบทุกชาติทุกแห่งทุกผลตำบลหมู่บ้านไม่ว่าในาน้ำบนบกสัตว์มีที่ไหนกองทุกข์ก็มีที่นั่นแล้วทาไมมาเพลิดเพลิน พอหัวรอด ก, กันอยู่ทำไมจึงไม่สอะแสวงหาที่พึ่งเมื่อแปลออกมาจากธรรมบทนี้ท่านปลุกสัตว์ทั้งหลายเพลินกันหาอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมแม้ในจูของเรานี้ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตื่นมันอะไรดินก็รู้ว่าดินเหยียบย่างไปก็มีแต่ดินเท้าที่เหยียบลงไปก็เป็นดิน แน่นั่งอยู่เวลานี้ก็เป็นดินเป็นน้ำํำมันก็เหมือนขี้โคลนที่ผสมด้วยน้ําแฉะนั่นแหละในตัวของเรานี้เต่ไปด้วยธาตุนี้ส่วนแข็งแข็งก็พวกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้ก็เป็นธาตุดินน้ําที่ซึมซาบอยู่ในสกลนกายนี้ก็เป็นธาตุน้ํามันก็เหมือนกับเราเอาขี้โคลนเหลวๆขึ้นมาปั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็มาเตือนขี้โคลนเลวๆนั้นว่าเป็นสัตว์เป็นคน ไม่ละอายตัวบ้างเหรอชุดอย่างนี้สินักปฏิบัติที่โคลนเลี้ยวแท้แหลุงตามหาบุญญาสัมปันโนได้เล่าประหวัติของท่านในตอนนี้เอาไว้ว่าในทางด้านประยัติธรรมเรามีพระชกวีภายหลังท่านดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ ทิธมธรมโรสอนทางด้านประยัดที่วัดสุทธกินดาโคราชท่านเป็นพระนักเสียสละไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราอยู่กุฏิเดียวกับท่านเป็นผู้ดูแลของทุกสิ่งทุกอย่างของท่านเป็นผู้สั่งจับสั่งจ่ายสั่งเก็บอะไรอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงรู้จักท่านได้ดีท่านมีเท่าไหร่ให้หมดท่านเด่นมากในทางเป็นนักเสียสละพ่อแม่ครูจานมั่นเป็นองค์ที่หนึ่งท่านเป็นองค์ที่สอง ที่นั่งอยู่ในหัวใจของเรานอกจากนั้นเราไม่ได้ประมาทเราไม่ค่อยได้สนิทสนมกับท่านนักจึงไม่ค่อยรู้แต่สำหรับพระชกวีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทิมธรมธรมธโรนี้เราอยู่กับท่านเวลาเรียนหนังสือท่านเป็นผู้สอนฝ่ายบาลีให้กับเราขณะที่เรียนหนังสืออยู่ถ้าเราทราบว่ามีพระกรรมฐานท่านมาอยู่ในวัดหรือมาอยู่ที่ไหนไหนเราจะต้องเข้าไปหาท่านจนได้ เวลาฟังพระกรรมฐานรู้สึกว่าธรรมะมันกล่อมใจเคลิ้มไปเลยเราจะเป็นนิสัยอย่างนั้นเรามาอยู่วัดสุทธากินดาโคราชตั้งห้าปีเต็มเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ก็เรียนออกปฏิบัติกรรมฐานไปทางเขาใหญ่ป่าเขาทางอำเภอปากทงชัยที่ไหนไปทั้งนั้นไปเที่ยวภาวนาเวลาว่างคือเวลาหยุดโรงเรียนพี่น้องชาวโคราชริ้วมาเป็นเวลาห้าปีหากไม่ได้ขบไม่ได้ฉันอาหารอะไรเลย ในห้าปีนี้เดี๋ยวว่าแต่เนื้อหนังเลยกระดูกก็ไม่มีเหลือในสมัยที่เรียนหนังสือได้เขียนจดหมายมาของเงินโยมแม่เพื่อซื้อหนังสือเรียนโยมแม่จะมอบให้ครูชารีเป็นคนสงเงินให้เราตลอดเงินที่ขอพ่อแม่มานี้เราเห็นคุณค่าอย่างยิ่งนำไปซื้อหนังสือทุกบททุกบาททุกสตางค์ ใช้เฉพาะเรื่องของส่วนตัวไม่ขอท่านทีละมากมากเราก็ประหยัดของเราเหมือนกันคือเห็นอกพ่ออกแม่เพราะขอมาทีารทรงปุ๊บไปเลยไม่มีอิดไม่มีเอื้อนขอเท่าไหร่ให้ไปทันทีทันทีเรื่องเงินนี้เราจึงไม่จ่ายทางอื่นเลยนี่พูดถึงเรื่องเรียนหนังสือขอเงินจากทางบ้านไปเรียนเพราะเราเรียนหลายสำนักออกจากสำนักนี้ไปสำนักนั้น ออกจากสำนักนั้นไปสำนักนั้นมันถึงได้รู้ได้เห็นทางด้านประยัติทั่วถึงวัดใหญ่วัดน้อยวัดราชวัดหลวงไปหมดเลยทีนี้เวลามันผ่านมาหมดแล้วก็พูดได้ตามที่รู้ที่เห็นพอหยุดจากการศึกษาเล่าเรียนก็เลิกขอเงินพ่อแม่เลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยขอเงินแม่แม้สตางแดงเดียว ในระยะที่เราอยู่ที่วัดสุทธจินดาโคราชก็มีพระป่ากรรมฐานเช่นวัดป่าสัละวันวัดป่าสัทธารวมเป็นต้นพอวันไหนว่างจากการเรียนหนังสือเราจะไปฟังเทศท่านพระอาจารย์สิงขคันตยาขโมที่วัดป่าสนละวันท่านจึงพบเราบ่อยเราก็ไปตามประษาของเราที่นิสัยชอบภาวนาท่านพระอาจารย์สิงห์ยังชมให้พระฟังว่าพระนมองค์นี้สาคัญมากนะ นั่นภาวานาเหมือนหัวต่อเพราะเราไปฟังเทศของท่านตลอดตอนนั้นเราภาวานายังไม่เป็นยังไม่ทราบว่าท่านเทศมีบทหนักบทเบาขนาดไหนเรื่องวิถีกิจที่ท่านแสดงนั้นเราก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนไปวัดนั้นวัดนี้เขาก็ทราบว่าเป็นวัดกรรมฐานแต่เราบอกว่าไปดูหนังสือความจริงไปดูหนังสือใหญ่คือภาวานาไม่ให้ใครทราบ มันหากเป็นอยู่ลึกๆถ้าหากพูดออกมามือเพื่อนขัด ท, ทันทีจึงไม่พูดเฉยดีกว่าเขาเป็นลิงเราก็เป็นลิงเขาเป็นอะไรก็เป็นไปกับเขาคําว่าลิงข้างด้านประยัตินั้นคือกิริยาหยอกเล่นกันธรรมดาแต่ไม่ให้ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยเราเรียนหนังสืออยู่ใครมาดูถูกพระกรรมฐานไม่ได้นะแต่ก็มีน้อยมากที่ปริยัติจะดูถูกพระกรรมฐานถ้าเขาพูดออกมาในเชิงดูถูกอะไระไร เอาแล้วเรารักกรรมาฐานรักอย่างนั้นแต่ส่วนมากท่านชมเชยท่านปฏิบัติได้เราปฏิบัติไม่ได้แสดงว่ายอมตนชมเชยบางทีไปแอบเดินจงกรมตอนดึกๆเงียบๆแล้วเพื่อนฝูงก็เดินผ่านมาเจอเข้าถามว่าท่านบูวําทำอะไรเราก็เผอบอกไปว่าเดินจงกรมโอ้โหจะไปสวรรค์ น, นิพพานเดี๋ยวนี้เหรอเพื่อนคอยกันหน่อยสิคอยกันซิก่อนเรียนจบแล้วเข้าไปด้วยกัน พูดหยอกล้อ ก, กันเล่นอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาเข็ดหลับเวลาเจอกันกลางคืนขณะเรากำลังเดินจงกรมมีพระเพื่อนๆ เ, เดินมาถามว่าทำอะไรเดินทำไมโอ้ยผมเดินเปลี่ยนบรรยากาศนั่งดูหนังสือเหนื่อยจึงออกมาเดินเปลี่ยนบรรยากาศซะบ้างเราต้องตอบอย่างนี้จึงจะผ่านไปได้ทางภาคปฏิบัติตละเอียดภาคปริยัติหยาบกว่ากัน้าอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมวินัยด้วยกัน เวลาเราเรียนหนังสืออยู่นี้ทำตัวเหมือนไม่เคยภาวนาเงียบเงียบเลยแต่อันหนึ่งมันฝังอยู่ลึกๆไม่จืดไม่จางมันรักมันสนิทติดใจในเรื่องพระกรรมฐานเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องพระนิพพานจากทรรกรรมฐานจากภาวนาหากไม่แสดงต่อใครให้ทราบและที่วัดป่าสารวันนี้เองเราได้พบและสนิทสนมกับท่านพระอาจารย์คำลีประพาโศเราก็ได้บอกกับท่านว่า พอจบจากการเรียนตำรับตำราตามคำอธิษฐานแล้วจออกปฏิบัติเพียงเท่านั้นการเวลาผ่านมาจนกระทั่งไม่ทราบว่ากี่ปีถึงได้มาพบกันกับท่านอีกครั้งท่านพูดด้วยความตื่นเต้นมากว่าโห้ oh, ท่านมหาผมไม่ลืมนะคำพูดของท่านนั่นนะักทำไมถึงพูดมีความสัตย์ความจริงอย่างนี้ตอนท่านไปเรียนหนังสืออยู่ที่โคราชได้บอกกับผมไว้ว่าเมื่อเรียนจบตามความมุ่งหมายแล้ว จ อ, อปฏิบัติกรรมฐานก็ออกปฏิบัติใส่จริงๆตามตัวเองได้ตั้งสัจจะเอาไว้จากนั้นก็ได้เกี่ยวข้องกับท่านมาโดยตลอดในสนทนาธรรมตอนสาคัญกับท่านสุดท้ายท่านก็บอกกับรูกสิษ์ของท่านว่าท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอัตมาเราสะดุ้งเลยเพราะเราคารบท่านส่วนธรรมก็ยกไว้เสียก่อนไม่อยากให้ท่านพูดอย่างนั้น หลวงตามหาบัวญาสัมปันโนได้เล่าถึงกรอนสามอย่างที่ท่านจำฝังใจในเบเรียนไม่รู้จักลืมนั้นว่าสมัยเรียนมีภาษิทิคำกรอนสอนใจที่ท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆอันไหนดีเราก็ท่องจำจนขึ้นใจไม่เคยลืมเช่นใบลานมักบังพระธรรมทองคำมักบังพระพุทธสงสมมุติมักบังอริยสงอันโคควายเลี้ยงไว้ใช้งานไถย เมื่อตายไปเนื้อหนังยังให้ผลวิสัยพานพานเพียนเบียดเบียนคนประพฤตตนเลวร้ายยิ่งกว่าควายวัดจะดีไม่ใช่ดีเพราะโบสถสวยหรือร่ำรวยด้วยทรัพย์อสงไขยแต่วัดดีเพราะพระเนนเก่งเคร่งวินยัยคิดหลักชัยอรหันต์เป็นสันดานบทกรเหล่านั้นได้บ่งบอกความหมายว่าผู้ที่ถือคำพีใบาลานความจดความจามาเป็นมากเป็นผล มันไม่เกิดประโยชน์อะไรทำแท้ไม่ใช่ใบลานทำแท้ออกมาจากพระไถยของพระพุทธเจ้าภาคประยัตนี้เกิดขึ้นมาหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วตั้งหลายร้อยปีถึงมาจดจารึกเป็นคำภีพระวินัยพระสูตรพระประมัติคนเอาทองทำไปปิดพระพุทธรูปก็ตื่นทองที่ปิดกันเสียพระพุทธรูปก็คือองค์ที่หล่อหลอมขึ้นมาให้รือ ถ, ถึงพระพุทธเจ้าคนไม่ได้คิดกันสงสมมติ ก็อย่างที่เราเห็นเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่หัวล้นโลนคลองผ้าเหลืองจิตใจนั้นเหมือนเปรตเหมือนผีก็มีไปไหนก็ว่าฟูฟ้าถึงใครเขาตั้งให้เป็นพระสมุบใบดีกาพระฟหลัดเจ้าฟ้าเจ้าคุณจนถึงขั้นสมเด็จก็หลงยศจนเป็นบ้าไปเลยนี่มันทำให้คนเสียอย่างนั้นลืมทําในหลักธรรมชาติที่ท่านบรรลุที่ท่านสาเร็จพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคา พระอาหารหันต์นี่คือพระอริยสงฆ์ไม่สนใจปฏิบัติก่อแต่คาพีเป็นหนอนแทะกระดาษมีแต่เรียนความยุ่งเหยิงวุ่นวายกลับมากกว่าเขาเสอีกผู้เรียนมากๆนั้นแลเรียนแล้วไม่สนใจประพฤติปฏิบัติมีแต่ลมๆแรงๆมันก็ได้แต่ความจําไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยความหมายในข้อที่สองนั้นท่านกล่าวไว้ว่าคนเลวก็เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าจิตใจเลวร้ายมันจะแสงควาย และความหมายในข้อที่สามนั้นก็คือสร้างวาดัดด้วยอิฐหินปูนทรายสู่สร้างด้วยหัวใจสร้างด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ใครได้เห็นพระอาหารหันต์ก็เป็นมงคลอันสูงสุด